ยี่อัตตาคือตนนั้นคืออะไรหมายเอาตรงไหนอัตตาหรืออาตมา น, นี้คือจิตใจของคนแต่ละคนซึ่งใจของแต่ละคนนี้เองแหละที่เป็นใหญ่ในตนเองใจเป็นประทานใจมา ก, ก่อนสิ่งอื่นใดหมดมโนปุพังเข้ามาทำมา ใจนานประเสริฐสุดใจพาเจริญได้สูงสุดมโนเศรษฐาทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจมโนมยาตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่บาลีว่ามโนปุพังคขามาทำ ม, มามโนเศษฐามโนมยาพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ11นั่นเอง และใจหรืออัตตาของใครก็เป็นของคนนั้นนั่นคือตนถ้ากิเลสเป็นใหญ่เหนือตนกิเลสมีอิทธิพลต่อจิตใจของตนผู้นั้นก็จะทำกรรมตามอิทธิพลของกิเลสก็เป็นอากุสุลกรรมย่อมเป็นผู้ทาชั่วคนผู้นี้มีกรรมชั่วนั่นแหละ ซึ่งคนผู้มีการกระทํานั้นก็เป็นผู้ทําชั่วนั้นเองก็ได้รับผลเป็นบาปเป็นนรกเป็นทุกข์แต่ปุถุชนผู้ยังอวิชชาและโมหะอยู่ย่อมมีความไม่รู้และหลงผิดไปจากอาริยสัจแล้วก็ยึดอุปทานผิดจึงยังเป็นปุถุชน คนโลกีในโลกยากมากที่จะหลุดพ้นออกจากโลกที่เรียกว่าโลกียะมีภูมิธรรมเข้าสู่โลกุตรภูมิปุถุชนคือผู้ไม่รู้อวิชชาในอาริยสัจสีจึงมีความวิปริตผิดไปจากความจริงอันประเสริฐที่เป็นโลกุตระวิปลาช แม้ผู้นั้นจะพอมีความรู้ความเห็นแล้วว่าอาริยศัสตร์ความเป็นจริงอันสุดประเสริฐเป็นไฉนแต่ถ้ายังหลงผิดในภาวะใดอยู่ผู้นั้นก็ยังไม่พ้นโมหะไปตามลำดับลำดับจนกว่าจะพ้นเนวสัญญาณาสัญญาจตนะ จบสุดเป็นสัญญาเวทยิสนิโรธจึงจะพ้นอวิชชาสวะและพ้นอวิชานุสัยเป็นที่สุด